แล้วก็มาหล่อมจอมเจมไปแล้ว น, นะแบบนี้อืมโอ้โลกของเรานี้เนาะมันเป็นโลกกลมเว้ยโลกกลมเป็นอย่างงี้แหละพูดถึงเรื่องชีวิตของคนเรานี่นะมันมีปัญหาที่เราจะต้องแก้อยู่มากมายถ้าแก้ไม่ถูกจุด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 สะดวกคล่องตัวดีหาเงินหาทองได้ดีเพราะมีความรู้ <c oughs> มัดกิเลสอันมันห ม, มักดองอยู่ในจิตใจนั้นวิชาทางโลกนั่นไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้เลยอุปสรรคอันสำคัญในของชีวิตก็คือกิเลสตัณหาอาวิชชา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 มีบุญว่าถนามากกว่าตนมันจะได้ยังไงอ่ะตั้งแต่ชาติก่อนนันตนมัวเมาประมาทไม่ประกอบกุศลความดีให้มากไว้เช่นนี้ทําบุญก็ไม่มากนี่พราะเกิดมาชาตินี้บุญนั่นมันก็มาตกแต่งความสุขให้ตามกําลังของบุญที่ตนทำมานั้นนะเลทจะไปโทษใครแบบนี้นะโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษตัวเอง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 ข่าเป็ดข้าไากา่กินกันอยู่ยนั่นเนี่ยไม่เห็นว่าบาปมันสนองให้เป็นทุกข์อะไรอ่มันก็มีความรู้สึกเอาเอาใกล้ใกล้แค่นี้แหละคนส่วนมากนะหรู้ว่าทําลงไปนั้นแล้วมันไม่เห็นมันสนองตอบให้เป็นทุกข์หรือร้อนอะไรความคิดมีแค่นี้แหละอะืไม่คิดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้น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 ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ดิรกชานไม่ว่าสัตว์เปรตไม่ว่าอสุรกายบรรดาพวกสัตว์ทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวกเกิดตายอยู่ในโลกอันเนี่ย่างก็รักชีวิตของตัวกลัวตายเหมือนกันหมดเลยเมื่อใครจะไปทำร้ายมันมันยังวิ่งหนีมันยังบินหนีสัตว์ก็ดี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 มันก็ยิ่งสะ ด, ดุ้งหวาดกลัวขึ้นในใจเพราะพระพุทิเจ้าตรัสว่าบุคคลเมื่อทำบาปเป็นอาชินอย่างนี้เลื่อยไปไม่ไม่เห็นโทษของบาปอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตแล้วอย่างนี้บาปกรรมนั้นมันจะต้องนำไปสู่นรกอบายภูมิแน่นอนไปทนทุกข์ทรมานน้ำร้อนรั่วไฟเผาอยู่ในนรก น, นั้นเป็นพันพันปีทิพย์ไปอย่างนี้นะ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 ว่าถ้าถ้าสาวกในศาสนานั้นในลทัทธินั้นไปทําลายสาวกของศาสนาอื่นลทัทธิอื่นได้เท่าใดยิ่งได้บุญหลายตายแล้วไปสวรรค์ เ, เขาเขียนว่าอย่างนี้ก็มีนี้นี่แหละอันนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าจิตมันลำเอียงส่วนในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าไมา่ได้ทรงสอนให้คนเรามีจิตลำเอียง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 ความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกสุขขาวิราคตาโลเกกา ม, มานาังสมติกกโมความสิ้นไปแห่งความกำหนัดคือร่วงกรรมทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกดังนี้พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทาน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 คำพูดอันใดมันจะเป็นไปเพื่อความทะเลาะวิวาทกันแล้วอย่าไปเอามาพูดอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กลัวบาปกลัวกรรมเป็นผู้สำรวมวาจาของตนทุกอิริยาบถไปเลยเป็นอย่างนั้นอันวาจานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยนี่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 เพราะนั้นมันเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องกันเมื่อเกิดความคิดความเห็นอะไรไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างนี่เนี่ยเราก็ควรหันหน้าเข้าพูดกันว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรสาวหาต้นตอของมันเมื่อรู้ต้นตอของมัน เ, เรื่องนี้มันเป็นมาอย่างนั้นมันถึงได้ขัดแย้งกันเอาทาอย่างไรเราจะไม่ขัดแย้งกัน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 มันเข้าข้างตัวเองก็มีอย่างนี้แหละมันไม่มันไม่แน่นอนนะถ้าเราใช้ปัญญาพินิษพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นนั้นให้เห็นโดยแจ่มแจ้งแล้วจึงพูดออกไปทำออกไปมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดอมันก็ถูกใจของคนทั่วไปนั่นแหละถ้าเราทาอะไรไปพูดอะไรไปถ้ามันถูกต้องแล้วนะ ถ้ามีเหตุมีผลเพียงพอเรียกว่าเหตุผลนั้นมันเป็นไปในทางที่ดีไม่ได้เป็นไปนทางที่เสียเช่นนี้นะมันก็พออกพอใจด้วยกันทุกฝ่ายนั่นเองเนะี่ยแต่คนส่วนมากทำอะไรพูดอะไรมักจะดำเนินไปตามความเห็นของตนโดยส่วนเดียวบางทีความเห็นของตอนนั้นมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นจริงก็มี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 ทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วแล้วสุดท้ายแท้ๆนะก็ลงสู่ใจรักถ้าเรื่องไรมันยุ่งๆมันแก้ไม่ตรงจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกไปนอนาตาไม่ใช่ของใครอย่าไปยึดถือมันเลยปล่อยวางมันซะเมื่อปล่อยวางมันแล้วมันก็ไม่ยุ่งเท่านั้นเองอไม่มีใครได้ได้เปรียบใครเสียเปรียบใคร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 กันแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นหมื่นเป็นแสนท่านก็ไม่มีเรื่องเดือเดเนื้อร้อนใจอะไรเลยนะออลองวาดมนโนภาพดูสิพระอริยะบุคคลทั้งหลายนะบางคนก็จะว่าเอ้าอันนั้นท่านเป็นอริยะบุคคลเรายังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลแล้วจะให้สงบประงับอย่างท่านได้อย่างไรเออมันก็จะต้องว่ากันมาอย่างนี้แหละ จิงโยเราก็ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าเราเชื่อไหมว่าพระอริยบุคคลท่านมีความสุขสบายเพราะท่านละความยึดความถือในเรื่องชั่วรต้ต่างๆนี่เราจะตอบว่าไงบบนี้นะก็ะต้องตอบว่าเชื่อเลยเชื่อพระอริยบุคคลเนียเหตุที่ท่านสบายท่านไม่ทะเลาะวิวาทกันก็เพราะท่านมาละความยึดความถือ ต่างๆทีนี้เมื่อเรามาเพียรพยายามล่ความยึดความถือมั่นต่างๆ ต, ต, ต, ตามพระอริยะบุคคลทั้งหลายไปอย่างเนี้เราจะมีความสุขไหมแน่นอนต้องมีความสุขแท้เพราะฉะนั้นน่ะเราจะเดินตามรอยของพระอริยะเจ้าไม่ได้เหรอต้องได้แน่นอนเพราะว่าท่านผู้จะเป็นพระอริยบุคคลน่ะท่านก็เป็น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 ก็ลองสังเกตดูหลักธรรมะเป็นไงล่ะนี่หลักธรรมะพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติตามมักมีองคต ป, ประการหรือวศินสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ว่านักบวชหรือเครือข่าย่อมมีสิทธิที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งนั้นเลย แล้วเมื่อปฏิบัติตามไปไม่พ้อไม่ถอยแล้วก็มีสิทธิที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เช่นเดียวกันท่านที่ได้บรรลุไปแล้วนั้นท่านก็ปฏิบัติตามทางสายนี้เออเมื่อท่านกําลังปฏิบัติอยู่นั้นท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญไปนั่นแต่ท่านเอาธรรมของพระอริยเจ้านั้นมาสวมใส่กายวาจาใจเลื่อยไป